ความทุกย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นนะนะคำ ว, ว่ทุกในที่นี้หมายถึงวัตถุทุกก็ได้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนะนะเพราะผู้มัวคำหนึ่งถึงรูปอย่างนั้นอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกผู้นั้นว่าห่างไกลพระนิพพานเนี่ยนะซึ่งอัตถกถาอธิบายว่าอธิบายเป็นสมุทัยสัจจะหรืออธิบายในในแง่ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระนนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่า ไปเห็นรูปใส่ใจในความน่างดงามของรูปซึ่งเพื่อสะเจริญเวทนาเวทนาก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นดังนั้ในการเห็นรูปอันนั้นหมายถึงภาษาเน้นอธิบายภาษาก็เท่ากับสามอย่างประชุมกันนะฮะภาษาอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมี พบพราะไการคํานึงถึงทั้งหมดนั่นแหละเป็นพบนีนะเพราะพบเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีชาติเนาะนะอา น, นิสงส์ของชาติเป็นยังไงพอเกิดมาแล้วเนี่ยที่เห็นนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยอา น, นิสงส์ของการเกิดทั้งนั้นหลยแล้วก็ไอที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็เป็นอา น, นิสงส์ของการเกิดทั้งหมดเนี่ยนะผลผลพวงออกมาก็คือชารามรณะ แล้วก็ไอ้เบื้องหลังจากชรามรณะก็ก่อให้เกิดโสกกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตใช่กองทุกข์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถามว่าผู้ที่ดําเนินไปในวัฏตะด้วยกองทุกข์อย่างเงี้ยจะใ ก, กล้หรือไกลพระนิพพานอะ่ะอ่านะนพระมาลุงกระยาบอกแม่อเนี้ยเรียกว่าผู้ไกลพระนิพพานนะเหมือนนเถอะแสดงว่าเห็นแบบปกตทิทั่วไปที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอะไรเลยเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าไกลนิพพานนะ ทีนี้ถ้าตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะเมื่อกี้กล่าววัตตะนะการเห็นแบบวัตตะเป็นการสร้างตาต่อไปถ้าวิวัตตะว่าส่วนผู้ใดเห็นรูปแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในรูปเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวย อ, อารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นรูปนั้นกิเลส กิเลสชาติมียพิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือแม้กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้สเสวยเวทนาอยู่ย่อมสิน้นไปก็รากขึ้นไม่ได้ฉันใดผู้นั้นมีสติประพฤติอยู่ก็ฉันนั้นทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คํานึงถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่ามีในที่ใกล้พระนิพพานเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้ ดูที่ว่าเราเข้าใจพอจะใกล้เขา ม, ามานนั้งวะนะคือเห็นรูปแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในรูปเป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ทั้งไม่ยึดมั่นรูปนั้นเนนะใช้คำว่าเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าเนี่ยนะไม่กำหนัดยินดีในรูปตัวที่มีสตินี้ถ้าสติก็บวกกับ สัมปชัญญะเนี่ยนะมีสติและสัมปชัญญะนนเมื่อวานนี้ก็แนะนําไว้คร่าวๆก่อนใช่ไหมว่าอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานการิโหติเนี่ยนะทำสัมปชัญญะในการแลกการเหลวเนี่ยนะสัมปชัญญะสี่เป็นยังไงบ้างหนึ่งสาทธกะสัมปชัญญะดูแลมีประโยชน์อะไรสองดูแล้วเนี่ยสปายะไหมเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลไหมอารมณ์นั้นอะ สเจริญแล้ว่เห็นแล้วดูแล้วเนี่ยเจริญกรรมฐานด้วยหรือเปล่าอ่านะพอที่เรียกว่าโคจระสัมปชัญญะแล้วก็สุดท้ายก็คืออะสัมโมหะสัมปชัญญะทีนี้พิจรารณาดยอะสัมโมหะสัมปชัญญะที่เห็นเนี่ยใครเห็นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปเห็นรอกอ่นะก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปลืมตาหลับตาไหมไม่มีเอาลืมตาหลับตาเกิดจากอะไรจิตชาวายโยธาเป็นปัจจัยให้ ให้ลืมตาหลับตานะจริงแล้วก็กระพริบตาทั้งวันอ่ะนะแต่ว่าพิจารณาอย่างนี้ได้กี่ครั้งก็ไม่รู้เนาะก็นี่กระพริบตาเนี่ยไม่มีใครไปดึงหนังตาล่างลงไปเลิกหนังตาบนขึ้นเนยไม่มีเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นจิตชาวายโย ธ, ธาเนี่ยนะลืมตาก็มีสีมีแสงสว่างการเห็นก็เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ปฏิเสธอัตตาก่อนใช่ไหมก็สองมูลปริญญานั้นก็ศึกษาจากครูทวารวิถีเนี่ยนะ คัมภีร์ปฐาเนี่ยบอกเลยว่าจักขูวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุติกับจักขูวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและธรรมที่สัมปยุติกับมโนธาตุด้วยอํานาจอนันตระปัจจัยเนี่ยมโนธาตุและธรรมที่สัมปยุติกับมโนธาตุเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุติด้วยอํานาจอนันตระปัจจัยเนี่ยฉันก็คือการพิจารณาจักขูทวารวิถีนั่นเองนะว่าจิตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างในในการเห็น บางคนก็บอกโอ้ยแล้วใครจะไปตามทันอ่ะมันเกิดดับเกิดดับทั้งวันอ่ะก็วิถีจิตเนี่ยนะมันจะเกิดดับเร็วขนาดไหนแบบฟอร์มมันก็เท่าเดิมอ่ะมันก็สามารถจะพิจารณาได้ไหมก็เหมือนกับคําถามที่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดดับไหมมันเกิดดับอ้าวแล้วไฟมันเกิดดับงั้นอ่านหนังสือได้ยังไงอ้าวก็ไฟมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับใช่ไหม และไอแสงสว่างที่เกิดดับเกิดดับแล้วมาอ่านหนังสืออย่างนี้ได้ยังไงเอา้ามันเกิดดับอะเมื่อมันเกิดดับมันก็ดูหนังสือไม่ได้อันนี้เหมือนกันถึงมันเร็วมันก็คือเหมือนกับคงที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าไอองประกอบของการเห็นเมื่อไหร่นะตาสีจกักขวิญญาเออตาสีมณสิการแสงสว่างเนี่ยเป็นปัจจัยกิจากขวิญญาณ เพราะฉะนั้นแครกว่าไม่ต้องไปตามให้มันทันไอเร็วอะไร น, นั้นหรอกแต่ให้รับรู้ว่าเออการเห็นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอยู่ในนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็นั่งกับพิตาสังเกตทั้งวันก็ได้เห็นเสียหายอะไรเลยเนี่ยนะแล้วถ้าเข้าใจครั้งเดียวมันก็เข้าใจตลอดสายเพราะมันจะเหมือนกันหมดเนี่ยนะการเห็นเมื่อไหร่องค์ประกอบต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหมด น, นะก็ะวังทำมูลปริญญาในสิ่งเหล่านี้ขึ้น ทีนี้ในทาลำพังการเห็นธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะจะไม่รู้ในความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเลยเนี่ยนะถ้าถ้าแค่เห็นแต่หลังจากเห็นเข้ามันเหมือนกับว่าลืมตาครั้งแรกเนี่ยทันทีที่ลืมตาเนี่ยเรารู้ทิศไหมไม่รู้พอมณ ส, สิการจึงรู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนก่อนใช่ไหพะนั่นเองการกำหนัดและขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายก็ต่อเมือ่อน้อมใจที่จะไปคิดนะนะ น้อมใจไปปลารบว่างามอันนั้นโลภะจึงจะเกิดถ้าน้อมใจไปปลารบว่าไม่งามอันนั้นโทสะก็เกิดเนี่ยนะหรือไม่พิจารณาทั้งหมดทั้งด้วยอํานาจโลภะโทสะอันนั้นเป็นโมหะหมดเลยอันนั้นก็เป็นความกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงในอารมณ์นั้นแล้ว ใ, ในเฉพาะตรงนี้นะผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมมามานี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเนี่ยนะคือจะมีพื้นฐานในการเอามาพิจารณาเพราะว่า อันนี้หลับตาก็ปลิบกระปริบลืมตาหลับตาเ น, นี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในนี้เห็นไหมถ้าเอาวิชาพิธามาที่บายเนี่ยสามปีเรียนไม่จบอ่ะนะเพื่อที่จะที่บายเนี่ยเ ก, เกิดการเห็นเนี่ยถ้าเอาแง่มมุมต่างๆมาจับอ่ะพิจารณาจนว่าไม่มีกิเลส ช, ชาบทาในสิ่งเหล่านี้เลยอ่ะนะเรียกว่าดูรอบรอบรู้รู้รอบรู้ดูจนจนไม่เห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่น อัตาของเราด้วยอัธยาศัยจริงๆไม่ได้หลอกตัวเองอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะมันก็เจริญสัมปชัญญะทั้ง4ประการเนี่ยนะแล้วก็สามารถพิจารณานะการเห็นเนี่ยเป็นขันอะไรบ้างเนี่ยนะตากับสีเป็นรูปประขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันภาษะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันเนี่ยนะ ทำที่เหลือเป็นสังขารขันแล้ว ก, ก็พิจารณาเนี่ยการเห็นเนี่ยเป็นขันนะประชุมการเรียกว่าการเห็นอายตนะประชุมการเรียกว่าการเห็นธาตุประชุมการนี่เป็นการเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วมันเป็นกระแสสังสารวัตไปยังไงเนี่ยนะใช่ไหมให้มองให้เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นแล้วเป็นอา่าผัสสะก็เกิดเมือาา่อผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วเวทนาอนนี้เป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาอะไรจะเกิดบ้าง พอตันหาเกิดแล้วจะทำกรรมอะไรบ้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วกรรมเหล่านั้นจะมีผลยังไงต่อไปแล้วตาเนี่ยนะก่อนจะมีตาเนี่ยตามาจากเหตุปัจจัยอะไรบ้าง น, นะก็สาวก็จะมองเห็นทั้งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมก่อนเมื่อเห็นโดยอนุโลมก็จะรู้ว่าความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระว่าเที่ยงเลยไม่มีสาระว่าสุขอยู่ในนั้นเลยแล้วสาระว่าเป็นอัตตาเนี่ยจะมีมาแต่ไหน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะมันก็ผู้ที่พิจารณาอยู่อย่างนี้ก็จะคลายกำหนัดเนี่ยนะในในอารมณ์ที่สเสวยอันเวทนาอันนั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาถามว่าทำไมเพราะทำปริญญาในจกักรสุเพราะทำปริญญาในรูปทำปริญญาในจกักรขวัญญาณทำปริญญาในจกักรขูสัมผัส ทำปริญญาในเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัจจัยแก่ตันหาเลยเนี่ยนะท่านก็เลยไม่กำหนัดในการเสวยอารมณ์และไม่ไปยึดมั่นรูปอั น, นั้นว่าเที่ยงด้วยไม่ไปยึดมั่นรูปนั้นว่าสุขด้วยไม่ไปยึดมั่นรูปนั้นว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราอะไรเลยเนี่ยนะก็เห็นรูปนั้นตามเป็นจริงจริงของรูปเป็นยังไงก็มีลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็น ที่สุดเนี่ยนะคือความจริงของรูปใช่ไหมคือถ้าถ้าพูดในแง่ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเมื่อไหร่มันก็อาศัยลมหายใจเป็นเบื้องต้นนะ่ะนะยังไงก็กระดูกแหลกแน่นอนอันนี้เป็นที่สุดของชีวิตเนี่ยนะอดีตเขาเกิดมาก็เป็นอย่างนี้นะลูกเล้นเล้นอะไรของเรายุคข้างหน้าอีกจะ ก, กี่ล้านปีมันก็าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะนะนะนะดำรงอยู่ด้วยลมหายใจในที่สุดกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดทั้งธรรมชาติของรูปเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้ยึดมั่นว่าเที่ยงไม่ได้ยึดมั่นว่าสุขไม่ได้ยึดมั่นว่าอัตตาเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆในสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่มีความเที่ยงอยู่เลยไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่เลยแล้วก็ไม่มีอัตตาอย่างแท้จริงเมื่อเจริญอย่างนี้เนี่ยนะจะรอบรู้ทั้งสมุทยังค่าของสิ่งเหล่านี้นใช่รอบรู้อัดถังคมะว่าสิ่งเหล่านี้นเกิดจากอะไรแล้วจะดับดับเพราะอะไรทำไมมันจึงดับขึ้นนะแล้วก็ รู้มันกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอัศสทสะยังไงแล้วก็อาท์ธีนวะยังไงถ้าจะหลีกจากสิ่งเหล่านี้หลีกด้วยอุบายอย่างไรเนี่ยนะถ้าเจริญได้อย่างนั้นก็กิเลสชาติมีอภิชาเป็นต้นย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีนั้นเนี่ยนะจะไม่เกิดเลยนะจะไม่มีอภิชาในสิ่งเหล่านั้นเลยอันนี้แหละเรียกว่าถ้าทําใจหรือเจริญได้อย่างนี้ก็แปลว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเหมือนกับไม่เคยเห็นไม่ใช่จักเห็นและไม่ใช่ กำลังเห็นเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่ามีประมาณในการเห็นเนี่ยนะมีประมาณในการเห็นเพราะไม่มีความผูกพันด้วยอำนาจฉันทราคะไม่มีความขัดเคืองแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ทําตัวเบลเลิงงงเตื้อเตอไม่ใช่กลับรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างเรียกว่ารู้พอที่จะเบื่อหน่ายบางนั้นเถอะเนี่ยนะแต่ว่าเช่นรู้ว่ายังไงรู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น เพราะถ้ารู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะจะละอะไรได้ละความสำคัญว่าเที่ยงได้ถ้าเห็นรู้เห็นโดยความเป็นทุกข์ละความสำคัญว่าสุขได้รู้เห็นโดยความเป็นอนัตตาละความสำคัญว่าเป็นอัตตาได้ถ้ารู้เห็นโดยความเบื่อหน่ายก็จะละคลายความกำหนัดได้ถ้าหากว่ารู้เห็นโดยความวิราคะนะไม่กาหนัดเนี่ยละความกำหนัดได้ เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ้ารู้เห็นโดยความเบื่อนหน่ายนะละความเพลิดเพลินได้ถ้ารู้เห็นโดยความคลายกําหนัดละความอคื อ, ค, อคือกําหนัดมันก็เหมือนกับการจับนะถ้าไม่กําหนัดก็เหมือนกับการไม่จับนั่นแหละวิ ว, วิวิตัวนั้นแปลว่าปฏิเสธวิราคะเนี่ยราคะแปลว่าการจับนะวิราฆะก็คือปล่อยนั่นเองะก็คือจะไม่ไม่จับต้องแล้นะก็ต้องการดับเนีย่ยนะไม่ใช่สร้างขึ้นเนี่ยนะ เธอก็ต้องรู้นะว่าอันนี้แหละที่จะต้องรู้โทษภัยของสิ่งเหล่านี้จริงๆว่าต้องการสร้างหรือต้องการเลิกเนี่ยนะเอานะต้องการสร้างตาหรือต้องการมีตาเนี่ยนะบรผู้ที่เจริญอนุปัสนาชั้นสูงก็บอกว่าโอ้โหภัยทั้งมวลนี่มาจากนี่แหละครือว่าปีละนัทโถนี่ตัวเบียดเบียนนี่ไม่ใช่อะไรอื่นหอกตัวนี้แหละเจ้าเบียดเบียนแท้เพราะฉะนั้นก็เลยคือว่าไม่ต้องการสร้างโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่สร้างทํำยังไงอ่ะก็ต้องบริจาคนะ บริจาคบริจาคอะไรบริจาคด้วยการ น, นี่ปริจาคะเนี่ยนะสละชันทราคะในสิ่งเหล่านี้ใชนนะคําว่าบริจาคเลย ว, ว่าตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านี้ใชพอาะถ้าเดี๋ยวเรียนณนะตมหาตุกะสูตรนะเร่องข้างหน้าต่อไปจะมีเขาบอกว่าเนี่ยตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตาเสียตาที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเ อ, อละตานี่ละยังไง พราะไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้ตาแต่บอกให้ละตาคือละฉันทราคะในในตานะรู้เห็นยังไงจึงจะละฉันทราคะในการเห็นได้เนีย่ยนะซึ่งก็ในขณะเดียวกันนะคนที่เจริญธรรมะไม่ใช่คนเจริญโทสะเนีย่ยนะก็ไม่ได้เครียดก็มีความสุขกับการเจริญอะแต่ไม่กําหนัดไม่ติดขอ้องเนะนี่ยนะมันผู้ที่ตามเห็นอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะกิเลส กิเลสวัตตะที่จะผูกพันพัวพันในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะของพระโยคีผู้เสวยเวทนาย่อมสิ้นไปเนี่ยนะกิเลสก็สิ้นไปไม่ก่อรากขึ้นหรือก่อรากขึ้นไม่ได้หมายว่าสร้างตาอีกต่อไปไม่ได้เมื่อหลังจากเห็นนะสร้างตาต่อไปอีกไม่ได้ผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่เนี่ยนะคือเป็นผู้มีสติเพียรที่กําจัดฉันทราคะกําจัดอภิชาและโทมนัปเนี่ยนะ ทุกย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้นผู้ไม่คํานึงถึงอย่างนั้นถ้าไม่คํานึงอย่างนี้นะเจริญอย่างที่กล่าวไปนะจะไม่สร้างทุกข์อันอื่นอีกนะจะไม่สร้างตาอันใหม่อีกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานเดี๋ยวนะใกล้ต่อสอุ ป, ปาทิเสสานิพพานก่อนคือใกล้ต่อการสิ้นกิเลสก่อนอันดะับแรกอย่างที่สองก็คืออนุ ป, ปาทิอนุ ป, ปาทิเสสานิพพานหมายถึงว่าใกล้ต่อการที่จะไม่สร้างตาอีกแล้ว แล้วก็ในที่สุดก็คือเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งอสังคตาธาตุคือตะกบกย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณานะตาก็เป็นสังคตะสีก็เป็นสังคตะจิตเห็นก็เป็นสังคตะภาษาเวทนาก็เป็นสังคตะทีนี้ทำยังไงให้มันไม่ใช่สังคตะเอาไหนเนี่ยนะ น, น้อมไปเพื่ออสังคตะใช่ไหมเขาเรียกว่า แต่ว่าการน้อมไปเนี่ยต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะเนยชอบในจูลนิเทศท่านบอกว่าข้อปฏิบัติของพระเสขะคือคืออะไรเหมือนอย่างว่าขนไก่ที่แย่เข้าไปในไฟอันนี้ท่านจะเห็นอารมณ์ทุกอันเนี่ยร้อนหมดเลยเดี๋ยวอธิตฐานปยายสูตรก็บอกเนี่ยตาเป็นของร้อนสีเป็นของร้อนจกักรคูวิญญาณเป็นของร้อนจกักรคูสัมผัสที่เกิดจากเนี่ย พวนี้ก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาที่มีจกักขูสัมผัสเป็นตัใจัยก็เป็นของร้อนเนี่ยนะเพราะฉถ้าใช้คําว่าร้อนปั๊บมันเหมือนกับวิปัสสนาอันนั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับขนไก่ใช่ไหมแย่เข้าไปในอารมณ์ไหนมันร้อนหมดเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าอันนั้นแหละเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดจนกว่าจะแทงตลอดอสังคาตาธาตุธาตุที่ไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าน้อมไปที่จะเห็นภทยในสิ่งเหล่านี้น้อมไปหา ความวิเวกวิเวกัดโถเนี่ยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วสังขารนี่มันวุ่นวายจริงๆนะน้อมไปหาวิเวกเนี่ยนะไปหาที่ไหนเนาะเน้นะนึกถึงป่าไหนดี <c oughs> วิเวกมันอยู่รีสอร์ทพุ ก, กาม น, นะนะวิเวกเงาแน่เนี่ยนะนะไม่ใช่อันนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปคิดไปคิดหมาเองอยู่กุฏิไหนดีนะรู้แต่เนาะประเด็นก็เข้าใจยากเป็นดีคือเนาะอาจจะอาจจะมองตรงข้าม กับกับของอาสังกัต่างเนั้นฮนะน้อมไปว่าทาไป ม, มีไอ้อย่างนั้นคือสําควรก็คือน้อมที่จะเห็นโทษอันนี้นะเพราะว่าถ้าผู้ใดไปไ ป, ไปคิดว่ามันณอยู่ณตําแหน่งณนะแห่งหนึ่งนะไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะน้อมไปอย่างนั้นเขาน้อมไปยังไงนะก็จกักขู่จักขู่สมุทัยจักขู่นิโรธเนี่ยนะจกักขู่คืออะไรคือสิ่งที่ถูกปัจจัยประชมกันขึ้นใช่ไหมทั้งหมดเนี่ย จักรคู่สมุทยัยตัวปัจจัยที่มาสร้างจากักรคูอัปวัตตะนะคือถ้าความเป็นไปแห่งจักรคู่และสมุทัยอย่างนี้เรียกว่าอัปวัตะถ้ามันตรงกันข้ามก็เรียกว่าอัปวัตะอันนั้นแหละเป็นนิโรศนนะข้อปฏิบัติที่ไปทํากิจอันนั้นแหละเป็นมัคคสัตมันก็จะน้อมไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเนี่ย น, นะก็น้อมไปพิจารณาให้เห็นอริยสัจในอะไล่ไปปิยรูปสารูปทั้งหกสิเนี่ยคูณอริยสัจสี่เข้าไป จริงแล้วมีเรื่องให้คิดเยอะแต่ว่ามันฟุ้งมันคิดไม่ได้ไ <c> ป <oughs> คิดเรื่องอื่นทั้งหมดเลยผม <c oughs> ผมจะที่ให้ดูหน่อยนะครับว่าในมาลุงกะยะสูตรนี่นะว่ า, าสำนักเก่าผมเนี่ยนะท่านพิจารย์ยังไงซึ่งผมก็สอนมาด้วยนะไม่ใช่ว่าผมผมเข้าใจเนะี่ยผมรู้ด้วย แล้วผมสอนมาด้วยนะคือท่านเห็นว่าเมื่อรูปนะซึ่งเป็นรูปารมเนี่ยนะครับมากระทบจักขูแล้วเนี่ยเกิดให้จักขูวิญญานเนี่ยนะท่านบอกว่า <c oughs> ยิ่งมาเข้ามาลูกกระยัตสูรนะบอกว่าเห็นเป็นประมาณว่าเห็นเนี่ยนะเข้าเลยเข้าหลักเลยว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ให้ดูรูปนั้นเนี่ยนะว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะถ้าพิจารณาเห็นเป็นนานๆเพียงง่ายๆตัวเนี้ย ถ้าเห็นไปนานๆจะเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะเห็นเป็นปรามัตธรรมอย่างเดียวคือรูปอารมณ์เท่านั้นให้คิดให้เห็นบ่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแล้วห้ามคิดด้วยให้พิจารณาบ่อยๆทวันน้อมไปว่าเออเนี่ยนะมันมันเป็นอนัตตานะเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งมันอย่างเี้ยเนี่ยนะักนี่คือหมายความว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแค่นี้เราไม่ต้องเรียนอะไรมาเลยในปริยัตทั้งหลายไม่ต้องเลยแต่เรามาดูในในในในพระสูตรนี้เนี่ยนะฮะในอัตถกถาที่บายไว้ว่าเออถ้าจะเห็นเป็นประมาณว่าเห็นเนี่ยนะนะ่ะอย่างที่ที่พระมารุอธิบายนี่นะโอ้มีเรื่องที่จะต้องโยนิโส ต, ตั้งเยอะมีเรื่องโยนิโสต้องเข้าใจเรื่องตั้งเยอะเลยใช่ไหมตั้งแต่สัมปชัญญะมาเลยว่าสาตธกษัสัสมปชัญญะเนี่ย ถ้ามีสติเริ่มแรกเลยเรียกว่าเบสิกต้นๆมากๆเลยถ้าไม่เห็นถ้าถ้าไม่เห็นเนี่ยจะดีไหมนะถ้าเห็นแล้วมีโทษไหมตั้งแต่แตั้งแต่สติขั้งแรกเลยเนี่ยแล้วถ้าเห็นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยนะมันสัปปายะไหมแล้วมันมันจะโครจรัสสัพปพัญญะได้ยังไงนะมันอสัมโมหะยังไงเนี่ยโอ้เรื่องมันมีตั้งยาวนะหมายควาะวมันก็เป็นเรื่องของโยนิสวมาสิกาไปในในรูปารมอันนี้เนี่ยว่ารูปารมอันนี้เนี่ย <c oughs> มัน มันมีลักษณะยังไงมันประกอบด้วยปัจจัยยังไงบ้างมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าไม่เริ่มจากตรงนี้เราจะไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นไปไม่ได้ครับเราจะไปเห็นความเป็นอนัตตาโดยที่ไม่รู้เรื่องปัจจัยนะไม่รู้เรื่องปัจจัยไม่รู้วิถีจิตในจักขุทวา a วิถีในมโนทว w a วิถีเนี่ยไม่รู้กลไกของของธรรมชาติที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเราจะไปบอกว่าเอ้าให้เห็นเฉยๆแล้วแล้วมันจะเป็นอนัตตามันเป็นไปไม่ได้ครับพอไหมคุณวช ท<ค>ำแค่คนี้ไป <venge ful S 1> ยั ง, ง<า>มไม่พอเลยเป็นโรคเป็นน้ําเนี่ยเพราะนั้นเพราะวจะเห็นว่าความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ว่าถ้ า, ถาจะถ้าจ ะ, จะเจริญแบบ น, น, นั้นนะไม่ต้องมาเรียนปริยตัตไม่ต้องริยัตดูบ่อยๆแข็งบ่อยๆเนี่ยพิจารณาบ่อยๆจะเห็นว่ามันเป็นปรัมัทธธรรมไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นี่จะเป็นมันจะ เ, เป็นอ น, นัตตาละเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ไม่ใบุคคลละนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีของพระภูมิภาคไม่ใช่เลยครับ ใช่อย่างนั้นไม่ทำไปศึกษาเลยบริยักษ์ให้ลำบาก ค, ครับเรียกคนมาสอนวิปัสนาปั๊บได้เลยสอนได้เลยจเจริญได้เดี๋ยวนั้นเลยไหนเนี่นนนาจ ะ, ะจา ก, กําหนดโพธิพารลมเน่ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยจังเกอตสอนเอาไหม <c oughs> เดี๋ยวให้นั่งจับนั่งสมาธิลานวัดเนี่ยทลางวันอ่ะนะกลางคืนหน้าหนาวเนี่ยจะได้รู้โพธิพารลมชัด คือคือคัญเนี่ยน ะ, ะผู้ที่รอบรู้เนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรว่าไม่ใช่สีแต่ถามว่าเออรู้ว่านี่เป็นสีนะเป็นรูปธรรม ท, ที่เห็นเนี่ยเป็นจิตนะที่ไปเห็นเนี่ยเป็นนามธรรมถามว่าผิดไหมไม่ผิดถามว่าคุณคิดไหมว่าน่าจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาชีวิตได้จริงๆเอาคือคือเราต้องมาจับประเด็นที่ว่าศึกษาทําไมคําสอนเนี่ยได้ไหม จุดจบของคําสอนอยู่ที่ไหนเรียนไปเพื่ออะไรแล้วมันจบยังไงแล้วแล้วมันจึงจะสมควรตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยท่านแนะนำํำมาอย่างไรคือไม่มีเลยท่านในเรื่องนั้นนะผมขอขอญาติบายต่อ น, นิ้นนะคือถ้าพิจารณาแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปสู่เราจะไม่ไปรู้เลยว่าตัวสมุทยัยคืออันไหนแต่ถ้าเราวิจัยมาตามตามตามปริยัติอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องไปค้นเจอตัวสมุทัยแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับ พราะไอตัวนั้นเป็นตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่รู้ตัวนั้นเนี่ยนะถ้ากับมันไม่ได้เจริญอะไรเลยนะแล้วแล้วถ้ากับไม่รู้อะไรเลยตัวนั้นจะเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยว่าตัวสมุทัยนี่แหละเพราะมันเป็นตัวทำใหเ้เกิดเกิดเกิดตาข้างหน้าอีกเกิดจมูกข้างหน้าอีกเนี่ยไม่มีทางรู้แล้วถ้พิจารณาแบบนั้นฉั้นแต่เห็นชัดเลยนะถ้าพิจารณาอย่างที่พระมาลุงกยะซึ่งอัตถกถาก็ชี้แนะว่าเป็นการเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างเช่นได้ว่า ถ้าคนที่พิจารณารูปแล้วใส่ใจว่ารูปนั้นเนี่ยงามานะเพราะปกติคนเนี่ยจะไปหาดูรูปที่งามอยู่แล้วในรูปที่ไม่งามก็ไม่อยากจะดูเท่าไหร่นะจะแต่งทั้งหมดเนี่ยนะที่ล้างถ้วยล้างจานก็อยากให้มันงามนี่แหละถ้าให้มันเห็นเลอะเทอะก็ไม่รู้จะไปล้างทําอะไรใช่ไหมคือจุดประสงค์ที่ทําทุกเรื่องให้เห็นว่างามนะวัตถุที่ตัดกวาดเช็ดถูทั้งหมดเลยเพื่อต้องการให้เห็นอารมณ์นั้นว่างามจะได้คิดว่า ง, งามและจะได้มีความสุขกับการเห็นว่ามันงามเนะี่ย อันนั้นแหละเป็นอิทธารมทั้นถ้าไปเห็นไปเพลิดเพลินไปชื่นชมไปแต่งเพื่อให้สีมันงามทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมที่แต่งให้สีงามอ่ะอันนั้นทั้งหมดเขาเรียกว่าอภิชาหรือสายใจแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอโยนิโสมนัสิกานนี่นนอโยนิโสมนัสิกานอันนั้นเนี่ยทำให้จิตเนี่ยเพลิดเพลินในในสิ่งนั้นนั่นเพลิดเพลินในวัตถุในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลย ไอ้ความเพลดิดเพลินอันนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรก็ไล่มาก่อนไหมที่ก่อนที่จะมาเพลินอย่างนี้ได้ก็อาศัยตากับสีอันนั้นอะ่ะเพราะการตกแต่งเป็นปัจจัยเนี่ยนะภาษาเวทนาก็เกิดภาษาเวทนานั้นเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาบางคนก็คิดว่าโอ้โหได้เห็นแน่แดีนะต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเห็นแบบนี้อีกดีๆอย่างนี้อีกถ้าคิดจะชาดหน้าชาดหน้าให้เห็นดีกว่านี้อีกมั้ย น, นะแต่งมาแล้วอันไอการเห็นเพลดิดเพลินในสิ่งนั้นแหละเรียกเป็น ไอ้ความเพลิดเพลินเป็นตันหาไอ้ตันหานี่ก็พอใจกำหนัดเกี่ยวข้องพูดถึงอ่นะพูดถึงเป็นวิจกรรมกันนะอันนั้นะเป็นกรรมมพบแล้วพฤติกรรมที่ปัดกวาดเช็ดทูทั้งหมดเป็นกายกรรมก็นําไปสู่ตาอีกนั่นแหละทั้งมโนกรรมที่ครุ่นคิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะไปเป็นปัจจัยแก่ตาอันอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาหรือภาษาธรรมะเลยเขาบอกไอาการก่อตัวครั้งแรกของตาที่มันค่อยๆ เ, เกิดขึ้นเรียกว่าชาติความที่สิ่งนี้มันโทรมลงทุกวันทุกวันทุกวันมันเห็นไม่ค่อยดีต้องใช้แว่นใช้อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าชาราถ้าชารานี้บวกโรคเบ็ดเสร็จหมดพยาธิเรียบร้อยในตัวแล้วถ้าใช้คําว่าชารานะีให้รู้ว่าบวกโรคเข้าไปเบ็ดเสร็จหมดแล้วถามว่าสิ่งเรานี้แตกทําลายไหมในที่สุด แตกทำลายแต่ก็อาศัยตาเนี่ยเพื่อสร้างตาอีกต่อไปนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแตกทำลายนะั้นมันเพาะพันไวเบ็ดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมไอ้ความเพลิดเพลินอันนั้นคือการเพาะพันตาเพลิดเพลินในสีคือการเพาะตานเนี่ยนะฉันตาต า, ตาที่จะสร้างใหม่เพราะความเพลิดเพลินในสีฉันใดตาที่ใช้ในทุกวันนี้ก็เพราะความเพลิดเพลินในสีในอดีตฉนนันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกันใชสร้างตาอันใหม่เพราะเพลิดเพลินตอนนี้ ตาที่มีอยู่ทุกวันเพราะเพล่ดเพลินในอดีตเป็นปัจจัยเพราะถ้ากรรมในอดีตมีตานี้จึงมีเพราะทำกรรมใหม่จึงมีตาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกรรมในอดีตตานี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีกรรมอันนี้ใหม่ตานในอนาคตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่คำหนึงคือไม่อะไรอาวนในตาที่เป็นอดีตที่เสียหายไปไม่สร้างความหวังเพื่อให้มีตาอันใหม่ ตามเห็นตาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปัจจัยกรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะตามเห็นว่าตาเนี่ยเป็นของเป็นทุกข์เหมือนกันเถอะทุกข์เพราะอะไรเพราะไฟคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยแผดเผาในสิ่งเหล่านี้นี่แหละอาศัยสิ่งเหล่าเนี้ยไปเจริญกิเลสมาเท่าไหร่แล้วใช่อาศัยตาเนี่ยนะเพื่อดูเพื่อสนองโลภะอาศัยตาเนี่ยไปดูเพื่อให้เกิด โทสะและอาศัยตานี่แหละโอ้โหทวารของโมหะดีๆนี่แหละว่างั้นเด้อประตูแห่งโมหะเลยว่างั้นพ้นก็เห็นภัยในความไม่มีตัวตาเองไม่มีสาระแล้วเป็นประตูแห่งโทษทั้งมวลขึ้นเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกำหนัดในในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ต้องการสร้างตาอันใหม่ต่อไปเพราะรู้ว่าตานี่แหละสุดยอดของภัยทั้งหลายที่ไปเห็นนะน้ำท่วมนี่อาศัยตาอะไรดูตานี่ยแหละดู เป็นแผลเ ว, วะว่าภาพที่น่ารังเกียจในโลกทุกชนิดอะไรเอาอะไรไปดูต่อตาถ้าไม่มีตาจะเห็นภาพเหล่านั้นไหมเถ้าไม่มีตาจะต้องตัดแว่นไหมแต่ก็กรอบมันแพงเนะแบบเสียดายกรอบอีกนะก็มีตาตองไป <c oughs>